ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสองร้กว่าปีก่อนมีพระเซนรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมากของชาวบ้านทุกวันนี้ก็ยังมีคนเคารพมากมายนะท่านชื่อฮากุอินเรื่องราวของท่านนะก็เป็นที่เล่ากล่าวขานกันมานะมีเรื่องหนึ่งซึ่ง บางคนบางท่านอาจจะเคยได้ยินในที่นี่มาแล้วนะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคื อ, อวันนึงเนี่ยมีผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยเป็นหญิงสาวยังไม่ทันได้แต่งงานแกก็เกิดท้องขึ้นมาพ่อแม่ก็ขาดคันนะว่าใครเป็นพ่อของเด็กเธอก็ไม่ยอมตอบแต่หลังจากที่ถูกขาดคันถูกรู เธอก็ เ, เลยตอบไปว่าท่านเอากุอินนั่นแหละนะเป็นพ่อของลูกในท้องพ่อแม่ของหญิงสาวโกรธมากตรงไปที่วัดทันทีแล้วก็ด่าท่านด่าเส้เสหายว่าเป็นคนเลวนะเป็นพวกมือถือสาปากือศีล น, นะเป็นพวกที่มากในราคะนะคนอย่างนี้นะไม่ควรจะบวชนะอยู่ต่อไปว่าสารพัดนะ ท่านเาคุินั่นก็เพียงแต่พูดคำเดียวว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอนะท่านไม่พูดอะไรมากกว่า น, นั้นต่อมาเนี่ยหญิงสาวก็คลอดลูกพ่อแม่ของหญิงสาวก็นำทารกเนี่ยไปให้ท่านทฮาคุยเลี้ยงบอกว่าเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะลูกของ ต, ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบฉันไม่มาจะมาโดนพะไรฉันเป็นเด็กขาด นะพ่อแม่ของหญิงสาวพูดอย่างนั้นท่านอากุินก็ไม่ปฏิเสธนะท่านก็ดูแลเด็กทารกไม่มีความรู้อะไรเลยก็สอบถามจากชาวบ้านนะซึ่งก็คงยังมีบางคนที่ยังศรัทธานับถือท่านอยู่ก็ลำบากนะสมัยก่อนไม่มีผ้าอ้อมเนี่ยแล้วก็นมแม่อีกนะท่านก็ต้องไปขนก๋วยหามามาป้อนนมให้เด็กทารก เหมือนกับเป็นลูกตัวเองก็เรียกว่าเพิ่มงานให้ท่านมากมายทีเดียวกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้นอนนะเพราะว่าเด็กก็ร้องไม่เป็นเวลาแต่ท่านก็ดูแลเด็กนะโดยไม่ปริ ป, ปากบนตรงข้ามในะชาวบ้านในหมู่บ้านจานว น, นมากก็ก็ลือกันสะพัดแล้วก็ต่อว่าด่าทอท่านเพราะาสิ่งที่ ท่านทำนะตามคํากล่าวหาของอพ่อแม่หญิงสาวนี่มันมันแย่มากชาวบ้านก็เสื่อมศรัทธาไปเยอะแต่ท่านก็ตั้งนั่ตาทํากิจของท่านต่อไปนะรวมทั้งเลี้ยงดูเด็กทารกก็เป็นมาเงี้ยหลายเดือนนะจนกระทั่งในที่สุดหญิงสาวที่เป็นแม่ของเด็กเนี่ยก็ทําใจไม่ได้นะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอยากจะได้ลูกกลับมาหรือเพราะว่าสงสารท่านฮากุอินหรือทั้งสองอย่างก็เลยสารภาพกับพ่อแม่ว่าที่จริงเนี่ยพ่อของเด็กในท้องคือไอ้หนุ่มนที่ขายปลาอยู่ในร้านใกล้ๆกันพอพ่อแม่ของเด็กรู้ความจริงนะก็ตกใจนะว่าได้ไป สร้างบาปนะให้กับท่านฮากูอินรู้สึกผิดนะก็รีบตรงไปที่วัดแล้วก็กล่าวขอโทษขอโพยท่านแล้วก็ชมท่านเลยว่าโอ้ท่านเป็นพระที่ประเสริฐมากนะยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นนะยอมทุกข์ยากยอมลำบากนะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยท่านนี่เป็นพระที่ประเสริฐมากประเสริฐจริง ท่านอากุอินก็พูดประโยคเดียวที่จริงแค่คำเดียวนะว่าอย่างนั้นเหรอแล้วก็คืนทารกให้กับแม่ของเด็กนะเรื่องนี้เนี่ยก็สะท้อนหนึ่งคุณลักษณะประการหนึ่งของท่านอากุอินนะก็คือเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวทั้งในยามที่ถูกด่า แล้วก็ไม่หวั่นไหวทั้งในยามที่ได้รับคําชมนะพ่อแม่ผู้หญิงสามมาดาท่านยังไงยังไงท่านก็บอกเพียงแค่ว่าอ๋อยังงั้นเหรอนะท่านไม่แสดงการยินร้ายหรือว่าโกรธหรือว่าด่าตอบนะธรรมดาคนเนี่ยถูกใส่ร้ายเนี่ยนะก็ต้องโกรธแล้วก็ต้องอตอบโต้นะแต่ท่านเรูอินก็พูดแค่คํำเดียวอ๋อย่างงั้นเหรอ ท่นความจริงปรากฏนะเขามาชมท่านนะใจถ้าก็ไม่ได้ฟูนะไม่ได้ฟูก็เพียงแต่พูดั้นๆเอาอย่างนั้นหรืออันนี้คือลักษณะของผู้ที่เข้าถึงธรรมนะคือว่าใจิตใจก็มั่นคงนะไม่วันไหวใจกระเพื่อมไม่ว่ายามที่เจออิทธารลมนะอิทธารลมก็คือคําสารเสริญหรือได้ลาบได้ยศ เวลาเจออ น, นิธารมเสื่อมราบเสื่อมยศถุงนินทาจิตใจก็มั่นคงอันนี้เป็นเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นสำคัญประการหนึ่งนะของท่านทากุยอินซึ่งมันก็เป็นแบบอย่างให้ให้กับพวกเรานะชาวพุทธด้วยจริงๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะแต่แรงกว่านะอันนี้เกิดขึ้นกับผู้ธเจ้าเองนะเรื่องของเรื่องก็มีว่าตอนที่พระองค์เนี่ย ประทับอยู่ที่เชตวันเนี่ยมีนักบวชกลุ่มหนึ่งนะเาเรียกปริพาชิกปริพาชกตรงนี้เนี่ยก็อิจฉาแล้วก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพืชเจ้ามีปริพาชกผู้หญิงนะเาเรียกปริพาชิ ก, กาชื่อนางสุนทรีเนี่ยวางแผนจะทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าก็เลยทำตัวมันก็ว่าคุ้นเคยกับพระองค์ แกล้งหลอกให้ชาวบ้านเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไปค้างคืนที่เชตวันทุกคืนนะวิธีการก็คือว่าเวลาตกเย็นเนี่ยชาวบ้านที่เดินออกจากเชตวันเนี่ยนะก็มาเจอนางสุนทรีนะกำลังเดินออกจากเมืองตรงไอยังทางเชตวันชาวบ้านมาถามว่าไปไหนแกก็บอกว่าคืนนี้จะไปค้างที่เชตวัน พอเช้าตรูเนี่ยก็เดินออกมาทำทีมว่าเดินออกมาจากเชตวันที่จริงเป็นนอนค้างนะในสำนักของตัวทำทีว่าก็เดินออกมาจากเชตวันเช้าตรูชาวบ้านที่เดินผ่านก็ถามว่ามาจากไหนก็บอกว่ามาจากเชตวันนะทำอย่างนี้อยู่หลายวันนะคล้ายๆทำนองว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยมีอะไรกับพระ เ, เจ้าที่จริงก็คงแผงของนางสุนทรก็คงมีแค่นี้แหละ ก็คือจะใส่ร้ายพุทธองค์ว่ า, ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงแต่ปรากฏว่ากลุ่มพริปาชกเนี่ยมีแผนเลวร้ยวายกว่า น, นั้นนะหักหลังนางสุนทรีนะคือฆ่านางสุนทรีนะแล้วก็เอาศพเนี่ยไปฝังไว้ใกล้ๆ ก, กับกุฏิของพู้เจ้าใกล้เท่าไหร่ก็ไม่ซารนะ์เพราะถ้าฝังถ้าคุด หลุมฝังศพนี่มันก็ใช้เวลานานนะก็คงจะไม่ใกล้ทีเดียวนะฝังศพเอาไว้เส็จแล้วก็ทําทีมกับว่านางสุนทรีหายนะก็มีการตามหาพวกก็ไปพบศพอยู่ที่บริเวณใกล้กับกุติผู้เจ้าคือเรียกคันตะกุตีก็มีการแห่ศพนางสุนทรีแล้วก็ไปเข้าไปในเมืองเชเข้าไปในเมืองสาวัตถีแล้วก็ป่าวร้องว่าผู้เจ้าเนี่ยฆ่านางสุนทรีเพื่อปิดปาก คนเจตวรรณะคนสาวัตถีเชื่อทันทีเลยเนะชื่อทันทีเลยก็พากันโจ์จันแล้วก็ต่อว่าด่าท้าพู้เจ้าอย่า ง, าง เ, ส เ, สเสียให้หายแล้วก็ไม่มีการใส่บาตรพระนะเหมือนกับว่าบอยคอร์คว่มบาตรนะไม่ใส่บาตรพระพิสุทุกรูปนะจาก เชตวันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวพระอนนเนี่ยพอทราบข่าวเนียรู้สถานการณ์ก็ทูลเชิญผู้เจ้าว่าให้เสด็จไปที่อื่นเถอะคนในเมือง น, นี้เขาไม่ต้อนรับเราแล้วพระองค์ก็ไม่ไปนะก็ยังประทับอยู่ที่เชตวันจนกระทั่งในสุดความจริงก็ปรากฏนะเจดวันหลังจากนั้นเนี่ยในขาตรกรเนี่ยก็ไปพูดคุยโม้ กับเพื่อนในวงเล่ากัมมังนะสายของประเจ้าเปรเสิเนิโคสรก็เลยมามาทูลให้พระเจ้าเปรสิเนิโคส่ทราบเจ้าเปรสิเนิโคส่ก็เลยสั่งจับนะข้าราชการก็สารภาพนะพอสารภาพครบเนี่ยนะข่าวลือก็ยุตินะคนก็กลับมาเคารพศรัทธาพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมเนี่ยเราก็พระมาบินาบาตก็ใส่บาตรกันนะเหมือนเดิม อันนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ ค, ยคล้ายๆกับเรื่องท่านทากุยินคือเรื่องการถูกใส่ร้ายแต่หนักกว่าเยอะเลยใส่ร้ายว่าฆ่าผู้หญิงสิ่งที่น่าสนใจนะคล้ายคลึงกันระหว่างสองเรื่องนี้นะในด้านนึงก็คือว่าให้การใส่ร้ายการโจดจันการปล่อยข่าวลือเนี่ยนะ มันเป็นสิ่งที่ธรรมดามันเกิดขึ้นแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะท่านหากุยนีก็เรียบร้อยนะทำเพื่อชาวบ้านพระเจ้านี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะพระองค์ประทับอยู่ที่เชตวันเนี่ยก็มาหลายปีแล้วนะแต่พอมีคนปล่อยข่าวลือนะแต่ก็ยังมีคนนะกล่าวร้ายใส่ร้ายพระองค์ อันนี้มันเป็นธรรมดานะของของมนุษย์กว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นคนดีแม้จะเป็นคนดีแค่ไหนเนี่ยก็หนีคําต่อว่าด่าทอหรือการใส่ร้ายไม่พ้นงะนั้นพวกเราเนี่ยนะที่หาว่ามีใครมีความทุกข์เรื่องเนี่ยนะมีคนเข้าใจผิดมีคนมาติฉินนินทาหรือต่อว่าด่าทอหรือถึงขั้นใส่ร้ายบางทีก็อาจจะเป็นคนคุ้นเคยอาจจะเป็นคนที่เราเคยช่วยเนี่ยะ ก็ให้ระลึกถึงสองเรื่องนี้เอาไว้ว่ามันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์แม้แต่ผู้เจ้านี่ก็บางทีเจอหนักกว่เราซะอีกนะบางทีพระองค์เนี่ยดีประเสริฐกว่เรามากแล้วมันก็สอนว่าคนเรานี่เชื่ออะไรง่ายนะเชื่อง่ายนะแม้กระทั่งคนที่ทํากุญงามความดีมาพอมีใครใส่ร้ายปล่อยข่าวหรือก็เชื่อนันทีแต่สิ่งที่น่าคิดอยู่อีกประการหนึ่งนะ ก็คือว่าทั้งสองกรณีเนี่ยไม่ว่าท่านอากุอินหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อถูกใส่ร้ายเนี่ยท่านไม่พยายามอธิบายไม่พยายามชี้แจงท่านอากุอินก็ตอบเพียงแค่ว่าอ๋อย่างงั้นเหรอทําไมท่านไม่อธิบายนะทําไมท่านไม่พูดความจริงเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าฆ่านางสุนทรีนะทำไมพระองค์ไม่อธิบายทำไมพระองค์นิ่งเงียบนะ ประทับอยู่แค่อยู่ที่เชตวันตลอดที่มีข่าวลือแพร่สะพัดอเราเคยสงสัยบ้างไอเพราะธรรมดางคนเราพอถูกใส่ร้ายก็ต้องทําให้โกรธนะหรือถึงโกรธก็ต้องพยายามอะชี้แจงว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทําแต่ทําไมท่านตุกินตอบเพียงแค่ว่าอย่างนั้นหรือภูจานีเงียบเลยนั่นนี่ก็เพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะ คงจะเห็นว่าในสถานการณ์ในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยพูดไปไม่มีประโยชน์พูดไปเขาก็ไม่ฟังนะท่านอากุยอินท่าที่บายให้พ่อแม่หญิงสาวฟังเนี่ยคิด่พ่อแม่จะฟังไหมกับโกรธถามว่าท่านแก้ตัวนะการพูดความจริงในเวลานั้นเนี่ยต่อหน้าคนที่โกรธนะมันไม่มีประโยชน์มีแต่จะเพิ่มความโกรธให้ท่านอากุอินก็เข้าใจมนุษย์ดีนะท่านก็เงียบ พูดเพลงแค่ว่าอย่างนั้นหรือผู้เจ้าก็เหมือนกันนะผู้เจ้าก็คงจะเห็นว่าคนในกลุงสวัสดชีเนี่ยนะมันเชื่อข่าวลือมากเนี้ยพูดไปแม้จะพูดความจริงเขาก็ไม่ฟังเพราะนั้นไม่พูดดีกว่านะอันนี้เป็นเป็นวิธีการนะที่พวกเราน่าจะไต่ตรองดูนะเพราะเวลาเพราะเราก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ โดยเพราะคนนี่มากล่าวว่าด่าทอนะด้วยความเข้าใจผิดเนะพราะเชื่อขาหรือหรือเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติของอัตตาเนี่ยนะมันมันก็อยากจะอธิบายนะเพื่อบอกป้องตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอว่าฉันเป็นคนดีฉันทำถูกฉันไม่ได้ผิดอย่างนั้นเนยะ ไอ้อัตตาเนี่ยมันก็อยากจะให้คนชมอยากจะให้คนยอมรับพอมีคนไม่ยอมรับเนี่ยมันก็อดรนทนไม่ได้ถ้าไม่ด่ากลับไปก็ต้องพยายามชี้แจงแต่ยิ่งใช้ชี้แจงไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะใจเขายังไม่รับนะใจเขายังไม่รับแต่ทั้งสองกรณีเนี่ยนะมันคลี่คลายเพราะว่าความจริงมันปรากฏโดยที่ท่านหาโกอินเองเพวกเจ้ า, จาเองก็ไม่ได้ทําอะไรนะแต่บางครั้งเนี่ยนะอะเราก็อาจต้อง ชี้แจงแต่ก็ต้องรอเวลาต้องรอเวลาว่าใจก็สงบแล้วคนเราเนี่ยถ้าเขามีความโกรธเนี่ยนะจิตมันปิดเลยนะมันไม่รับแม้สิ่งที่ได้ยินจะเป็นความจริงมันก็ปฏิเสธผักใสเพราะว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันก็พยายามเลี้ยงตัวเองเอาไว้นะมันพยายามที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่จะทาให้มันจางคลายหายไป เช่นเดียวกันความยึดติดถือมั่นในความคิดใดเนี่ยเมื่อคิดเรื่องใดสรุปเรื่องใดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยามไม่ยอมรับความคิดหรือข้อเท็จจริงอื่นที่จะทําให้ที่ตรงข้ามกับมันมันก็ปัดปฏิเสธไปเลยมันไม่ฟังคนที่อยู่ในอารมณ์ใจก็ไม่ฟังจริงการที่ใจไม่เปิดรับเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความโกรธอย่างเดียวนะมันไม่ใช่เพราะความยึดติดถือมั่นในความคิดใดความคิดหนึ่งเท่านั้นนะอารมณ์อื่นก็เหมือนกันนะเช่นความเศร้าเนี่ยเวลาเศร้าเนี่ย ใจมันก็ไม่ยอมเปิดรับฟังอะไรเลยนะฟังยากนะเพราะว่าจิตใจเนี่ยเหมือนกับแก้วที่มีน้ำเต็มเลยแล้วเป็นน้ำขุนด้วยในสายพุทธกาญเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งน่ะเสียลูกนะ่ะนางกีสาวกตมีลูกยังเล็กยังน่ารักนะชีวิตเธอก็ราบลืมมาตลอดนะอาจจะลำบ า, ากบางตอนวัยเด็กแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอได้แต่งงานก็ชีวิตก็สบายมีลูกลูกก็น่ารัก บอกว่าลูกตายตั้งแต่ยังเล็กเธอทำใจไม่ได้นะคิดว่าลูกเนี่ยจะต้องฟื้นขึ้นก็พยายามไปให้ใครเนี่ยช่วยทาให้ลูกเธอฟื้นขึ้นมาอุ่มศพลูกไปหาคนนั้นคนนี้ก็ก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วเธอไม่ฟังนะเพราะว่าใจมันยังยอมรับไม่ได้ไปหาพูทเจ้าพอมีคนแนะนำว่าเนี่ย พระพุทโธเนี่ยจะช่วยเธอได้เธอก็ดีใจไปหาพระองค์ที่เชตวันพระพุทองค์เนี่ยเห็นนางอุ้มศพลูกมาเนี่ยก็รู้แล้วว่าสภาวะจิตของเธอเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยคงไม่พร้อมที่จะฟังธรรมพระองค์แทนที่จะแสดงธรรมนะว่าความตายเป็นธรรมดานะไม่มีใครที่จหนีพ้นความตายได้ความพัดพราดนะคือสิ่งที่ต้องเกิดกันทุกคน พระองค์เนี่ยสามารถแสดงทําให้คนบรรลุธรรมได้มากมายนะเป็นร้อยๆแต่พอเนอิพอเจอนางกีสาวก็มีอุ้มศพลูกมาเนี่ยพระองค์ไม่แสดงธรรมเลยนะอันนี้เป็นที่น่าสังเกตนะพระองค์กลับพูดว่าพระองค์ช่วยได้ถ้าหากว่านางเนี่ยสามารถจะหาเม็ดปากกาจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาให้นะเดี๋ยวเราจะช่วยเธอให้ลูกเธอฟื้นขึ้นมา นางก็ดีใจนะไปเข้าไปในสาวัตถีก็ไปถามชาวบ้านว่าใครมีไม่ผักกาดไหมทุกคนก็บอกว่ามีแต่พอถามมีคนตายไหมก็ได้คําตอบว่ามีเหมือนกันเพราะมีเช่นกันเพราะว่าคนสมัยก่อนก็ตายที่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนที่ตายก็มีหลากหลายวหลายเพศปู่ย่าตา ย, ยายพ่อแม่ลูกแม้กระทั่งหลานเนี่ยจชืหรือน้อยจชืหรือน้อยนางก็เริ่มยอมรับได้ว่า ความตายเป็นธรรมดานะเพราะว่าคนหนึ่งเขาก็เสียคนหนึ่งก็ก็สูญคนรับไม่ใช่เราคนเดียวพอรู้ความจริงเช่นนี้เนี่ยนะและใจ ก, ก็ค่อยเปิดรับนะก็ยอมรับความจริงว่าลูกตายแล้วก็เอาลูกเนี่ยไปนะไปฝังเสร็จแล้วก็มาที่เชตวันมากราบมากราบผู้เจ้า ผู้เจ้าทีนี่เห็นแล้วแล้วว่านางเนี่ยพร้อมจะฟังธรรมละใจเปิดละก็เลยแสดงธรรมนะว่ า, ว, าว่าผู้ที่ว่าน้ำน้ำป่าเนี่ยยอมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดมรุตยูก็ยอมพัดพาผู้ที่หลงไหลในรูปในทรัพย์สมบัตินะฉันนั้นนะพงแสดงธรรมสั้นๆเนี่ย ทีนี้นางกีสาวกตุมีเนี่ยพิจารณาตามแล้วใจเริ่มมีสมาธิพิจารณาตามก็เห็นจริงเลยนะว่าโอ้มันจริงแท้ทีเดียวเพราะเพิ่งผ่านประสบการณ์ความสูญเสียมาเพิ่งเจอความตายของรูปมาปัญญาก็เกิดเลยนะกลายเป็นพระโสดาบันเลยเมื่อชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วนี่ยังเหมือนคนคุ้มครั่งเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นภริยาบุคคลแล้ว อันนี้น่าคิดนะาทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แสดงธรรมคราวแรกนะตอนที่นางอุ้มศพลูกม า, าเพราะนาเพราะพระองรู้ว่าคนที่เศร้าเนี่ยเศร้าโศกเสียใจแบบนี้เนี่ยแสดงธรรมไปก็คงไม่ฟังอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะที่เอามาใช้กับพวกเราได้นะเวลาเราไปไปเจอคนรู้จักที่เขาสูญเสียนะสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่ก็รังเศร้าโศกเนี่ย หรือคนที่กําลังทุกข์พระตัวเองกาลังเจ็บป่วยเช่นเป็นเยี่ยมคนที่เขากำลังป่วยด้วยโรคเมล็งระยะสุดท้ายหลายคนเนี่ยอยากจะเอาธรรมะไปบอกเขาธรรมะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะเรื่องอการปล่อยวางนหรือบางทีก็อยากจะบอกให้เขาทําใจเข้มแข็งเอาไว้ความตายเป็นของธรรมดาความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นกับทุกคนหลายคนเนี่ยอยากจะไปบอก แต่ว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์นะเพราะว่าเขาไม่ฟังนะมันยากที่เขาจะฟังนะผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ชอบนะก็คือคนที่มาแนะนําสั่งสอนรวมทั้งมาเอาธรรมะมายัดเยียดเขาเขาไม่ชอบเพราะตอนนั้นเขาต้องการเพื่อนมากกว่าต้องการคนที่เข้าใจเขาเข้าใจความรู้สึก ข, ของเขาไม่ใช่คนที่มาสอนแม้แต่บอกเขาว่าสู้ๆเนี่ยเขาก็ไม่ชอบนะ คนที่กำลังจะตายแบบเขาสู้ๆนี่นะใจเขายังไม่เปิดรับธรรมะแม้เรามีความปรารถนาดีอยากจะพูดอยากจะบอกเขาก็ตามจะดีกว่าถ้าเรานะแค่นิ่งเงียบนะนั่งอยู่เขานิ่งๆเป็นเพื่อนเขาอาจจะกอดนะถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันหรืออาจจะกลุ้มมือเข้าไว้แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะละทุกคนที่กําลังเศร้าโศกพอสูญเสียหรือพ่อเจ็บป่วยก็ตาม ความนิ่งเนี่ยมันทีมีประโยชน์นะไม่ว่าในยามที่ถูกใส่ร้ายนะต่อว่าด่าทอหรือในยามที่ต้องการไปช่วยคนอื่นที่เขากาลังประสบทุกข์เนี่ยความนิ่งเนี่ยมันช่วยอนนี้กลับมาที่นะกรณีของพูจาร์แล้วก็ท่านทากุอินเนี่ยนะสิ่งหนึ่งอีกอย่างนึงที่เหมือนกันนะแม่ของแม่ของ หญิงสาวเนี่ยพอได้ทราบหรือพอได้ยินว่าพ่อของทารกเนี่ยคือท่านทากุอินก็ตรงเข้าไปด่าเลยแทนที่จะถามว่าจริงหรือเปล่าจริงไหมนะที่ได้ข่าวมาอย่างเนี้ยไม่มีเลยนะตรงเข้าไปด่าเลยคนสาวัถีก็เหมือนกันนะพอได้ข่าวว่า ผู้เจ้าข้านังสุนทรีก็เชื่อเลยแล้วก็ด่าเลยไม่ใส่บาตรด้วยไม่มีใครสักคนนะ่ะไปถามผู้เจ้าว่าาข้าพเจ้าได้ยินข่าวนี้มาจริงหรือเปล่านะี่ทั้งสองกรณีนี่นะมันมีความคล้ายกันนะคนเราเนี่พอได้เชื่ออะไรขึ้นมาพอไดอ้อะไรขึ้นมามันเชื่อทันทีเลยนะมันเชื่อเป็นความจริงทันทีแล้วไม่เคยคิดจะถามไม่เคยคิดจะชี้จีจะ ตรวจสอบว่าไอสิ่งที่ยืนนียเป็นความจริงหรือเปล่าพวกเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะพอมีใครพูดอะไรมาในทางที่ลบในทางที่ร้ายเกี่ยวกับบุคคลที่สามเนี่ยนะโอ้เราเชื่อทันทีเลยแล้วตรงเข้าไปด่าเลยถ้าไม่ด่าได้ว่าจากก็ด่าทางไลน์ทางโซเชียลมีเดียเคยคิดจะถามบ้างไหมว่าที่ได้ยินมาเนี่ยจริงหรือเปล่านน้อยนะแม้กระทั่งคนที่ปฏิบัติทําเองเนี่ยนะก็เชื่อง่ายนะ เพราะว่าอารมณ์เนี่ยพอได้ยินปุ๊บเนี่ยมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีธรรมดาองมนุษย์เนี่ยนะพอได้เรื่องที่เป็นลบเนี่ยมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเลยพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีสติมันไม่คิดที่จะไม่มีความคิดที่จะผุดขึ้นมาว่าเอ๊ะทาไมเราไม่สอบถามซะ ก, ก่อนนะว่ามันจริงหรือเปล่าทําไมไม่ไปถามก็ดูนะมันไม่มีตรงนี้อะที่จะมาทักท้วง เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอารมณ์มันครอบงำแล้วผู้เราหลายคนนะที่ก็ทำบาปนะไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้โดยที่ไม่ทันได้สอบถามเขาว่าจริงไหมเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนะเวลาฟังเรื่องราวแบบนี้เนี่ยซึ่งหลายคนเคยคงจะเคยได้ฟังมาแล้วนะเรื่องนางสนทรีลก็คงจะได้ฟังมาแล้ว เคยได้ข้อสรุปหรือข้อคิดแบบนี้บ้างหรือเปล่าว่านะเมื่อได้ฟังข่าวอะไรมาก็ตามนี่นะไม่เชื่อทันทีนะไม่เหมือนปลาทีงับที่ฮุบเหยื่อทันทีนะต้องฟังซะก่อนแล้วต้องสอบถามนะไม่ไม่ใช่ว่าฟังได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาก็เออก็เพียงแต่รู้ว่าเออพุทเจ้านี่พระองค์นี้จิตใจมั่นคงนะ แต่ว่าไม่ได้มองในมุมกลับว่าแล้วทำไมนะคนสาวัตถีจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจึงทำอย่างนั้นทั้งที่พระองค์ก็ประทับอยู่ที่เชตวันไกรกรุงสาวัตถีมาหลายปีนะคุณธรรมความดีงามก็แสดงให้คนเห็นแต่พอวันหนึ่งเนี่ยมีคนปล่อยข่าวรือท่านะเชื่อทันทีเลยเราเคยเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่านะ และเชื่อแล้วไม่พอนะแทนที่จะไปหาความจริงไปสอบถามก็ทํายิ่งกว่านั้นนะคือด่าเนี่ยอันเนี้คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะเป็นบทเรียนจากเรื่องราวอย่างเนี้ยว่ามันมันสอนแต่เราเราได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนให้เห็นว่าธรรมชาติคนเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือชั่วเนี่ยหนีความหนีคําติชินินทามไม่พ้น คำตอบ ว, ว่าดาทอเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าปุถุชนหรืออริยะบุคคลหรือพระอรหันต์หรือแม้แต่พระเจ้าและมันก็ชื่อว่าเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะสิ่งที่ควรทําคือใจที่นิ่งนะไม่ฟูไม่แฟบแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดนะเมื่อไหร่ควรอธิบายนะแล้วเมื่อไหร่ที่ควรจะนิ่งเงียบนะ รวมทั้งเอามาเป็นข้อคิดได้ว่าเออคนเรานี่มันเชื่ออะ้รง่ายๆนะถ้าเพียงแต่ถามสักหน่อยเนี่ยเช่นถ้ามีคนมาถามท่านทาวกุอินว่าจริงไหมว่าท่านเนี่ยเป็นพ่อของลูกในท้องหรือเป็นพ่อของทารกถ้ า, ากุยก็อาจจตอบว่าอ่าไม่ใช่แต่ไม่เคยมีใครถามถ้าคนมีคนมาถามพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยข้านางสนธิรจริงไหมพงคงจะไม่เงียบพกงก็จะตอบว่า คงพวกคงปฏิเสธไปแต่ไม่มีใครถามสักคนนะเชื่อไปซะและ้วนะพวกเราเนี่ยนะถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นคล้ายๆกับพ่อแม่ของหญิงสาวคนนะั้นหรือเป็นคล้ายๆกับคนในกรุงสวัรถีนะทีนะ่ต่อว่าดาเทา้าพระเจ้าไปแล้วทั้งที่ไอ้สิ่งที่มันเป็นข่าวหรือข่าวเช็ดทั้งนั้นแหละนะัเพียงเพราะไม่รู้จักสอบถาม หรือหาความจริงอาชาเนี่เพืดเท่านี้นะกราบพระ